ที่จะเข้าใจกันได้อันหนึ่งเมื่อเราได้พิจารณาถึงการกระทาของคนเราโดยทั่วๆไปจะเห็นข้อเท็จจริงชัดอยู่อย่างหนึ่งคือคนเราทุกคนมีอะไรบังคับให้เราต้องพูดต้องทำและต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอะไรที่บังคับนี้ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งแวดล้อม